ดูก่ อ, อาจารย์ผู้โจทย์เจวะเธยยาสิผิว่าท่านจะมีคำขึ้นอีกเล่าว่าราคัคคโยนิพพานังว่าที่สิ้นราคะโทสะโมหานั่นแหละเป็นนิพพานเหตุใดเหตุมีบาลีในชชมพูขาทกาสูตรพระสารีบุตรมหาเทระเจ้าเทสนาแก่ทรงทั้งปวงว่าโยโคอาวุโสราคัคคโย โทสัคโยโมหคคโยอาทางวุจตินิพพานังดูก่อนอาวุโสสภาวะสิ้นราคะสภาวะสิ้นโกรธสภาวะสิ้นหลงนี่แหละได้ชื่อว่านิพพานประการหนึ่งมีพระบาลีสมเด็จพระพุทธองค์เจ้าตรัสเทศนาในธรรมยตนะวิพังว่ากัตมาอาสังคตาทาตุ อสังกตาธาตุกล่าวคือพระนิพพานนั้นเป็นดังรือจึงมีคําวิสัชนาว่าราคัคคโยโธสักคโยโมหคคโยสิ้นราคะสินส้นโกรธสิ้นหลงนั่นแหละได้ชื่อว่าอสังกตาธาตุกล่าวคือพระนิพพานอาศัยเหตุที่มีพระบาลีในคำภีชามภูขาทกาสูตรและบาลีในธรรมายตนาวิพัง ว่าไว้เป็นหลักเป็นประธานอยู่ชนี้เราจึงเห็นว่าที่สิ้นราคะโทสะโมหะนั่นแหละเป็นนิพพานดูก่อนอาจารย์ผู้โจทย์ถ้าท่านจะมีคำกล่าวขึ้นชนี้นายุตตังก็ยังมิได้ยุติสมควรก่อนเหตุภาวะแห่งพระอระหันต์ถึงซึ่งนามบัญญัติชื่อว่าอาสังคตะนั้นมีอยู่ อธิบายว่าดูก่อนอาจารย์ผู้โจทย์ขอซึ่งท่านอ้างอิงเอาพระบาลีว่าราคาคโยโทสัคโยโมหกคโยนั้นแล้วและถือเอาอาธิบายแต่ตามพระบาลีว่าสิ้นราคะโทสะโมหะเป็นนิพพานนั้นไม่สมควรเหตุว่าบาลีอันมีในสูตรบางแห่งนั้นท่านแสดงเป็นชื่อแห่งพระอรหัตตผล จะได้แสดงเป็นชื่อแห่งพระนิพพานแต่สิ่งเดียวหาไม่ได้ดูก่อนอาจารย์วาระพระบาลีในแชมพูขาทกาสูตรที่พระสารีบุตรมหาเทราเจ้าเทศนาว่าโยโขอวุโสราคัคโยโทสักโยโมหักโยอิทังวุจตินิพพานังนั้นก็ดีวาระพระบาลีที่สมเด็จพระพุทธองค์เทศนาไว้ในธ ร, รมายตนวิพังว่า ราคัคโยโทสัคโยโมหักโยอีทังวุจติอสังคตธ า, าตุนั้นก็ดีพระบาลีทั้งสองแห่งนี้บันดิตพึงสันนิฐานว่าเป็นนัยะัะถคือกรอบด้วยนัยยะอันจะพึงวิสัชชาแก้ไขสืบต่อไปเป็นอันมากเหตุฉนี้พระอัทธกถาจารย์ผู้รู้พุทธที่บาบจึงวิสัชนาว่า ข้อซึ่งมีพระบาลีว่าราคะคโยโทสะคโยโมหคโยนั้นพึงเข้าใจเถิดว่าราคะโทสะโมหะจะพึงสิ้นไปนั้นอาศัยแก่พระนิพพานพระอริยมรรคทั้งสี่ประการนั้นได้พระนิพพานเป็นที่อาศัยได้ยึดหน่วงพระนิพพานแล้วจึงกำจัดราคะโทสะโมหให้สิ้นไปได้จากสันดาน จึงมีคำดีกาจารวิสัชนาอีกเล่าว่าเมื่อโคตรภูยานกลับจิตที่เป็นปุถุชนนั้นให้ถึงซึ่งภาวะเป็นอริยะโคตรแล้วและให้น้อมไปสู่พระนิพพานเหนื่อยนายจากสังขารธรรมทั้งปวงหน่วงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้แล้วลำดับนั้นพระอริยมรกก็อาศัยเอาพระนิพพานที่เป็นโคตรภูญานกระทาใหแจ้งนั้น หยุดหน่วงเอาเป็นอารมณ์แห่งตนเพ่งเอาพระนิพพานที่ปราศจากสังขารนั้นเป็นที่หยุดที่ยั้งผูกพันเอาเป็นคติอันอุดมยินดีในพระนิพพานอันบังเกิดเป็นนธิปฏิ ป, ปัจจยแล้วการใดราคาทิงเคเปติพระอริยมารคนั้นก็ยังราคะโทสะโมหะให้สิ้นไปจากสันดานเป็นสมุดเฉทให้ดับไป เป็นอนุปตินิโรธได้ในการเมื่อนั้นตกว่าสิ้นราคะโทสะโมหะนั้นก็อาศัยแก่พระนิพพานจึงสิ้นไปเป็นสมุเทเฉดเหตุชนี้พระบาลีว่าราคะคโยโทสะคโยโมหคโยนั้นท่านจึงแสดงเป็นชื่อแห่งนิพพานบัณฑิตผู้ปรีชาพึงพิจารณาให้เห็น ในอธิบายในฌาปูคาทกาสูตรและธรรมายตนาวิพังดุดดังในอธิบายอันพระอัธกถาดีกาจารวิสัชนาไว้ชนีอันจะเห็นเนื้อความตามพระบาลีว่าสิ้นราคะโทสะโมหะเป็นนิพพานนั้นเป็นข้อผิดเป็นนันมากพึงเข้าใจเถิดว่าฌาปูคาทกาสูตรที่พระผู้เป็นเจ้าสารีบุตร ตรัสเทศนาและธรรมายตนวิพังที่สมเด็จพระพุทธองค์เทศนานั้นยังเป็นนัยยะอยู่เหมือนประดุ์ดังว่าพระสูตรอันหนึง่งพระสารีบุตรมหาเทราเจ้าเทศนามีเนื้อความสำแดงซึ่งพระอรหัตผลว่าโยโคอาวุโสราคัคคโยโทสัคโยโมหักคโยอิทังวุจติอรหัง พระบาลีแสดงสูตรอันนี้นี่พระสารีบุตรมหาเถระแสดงความเป็นในอยู่เมื่อพิจารณาดูเนื้อความแต่ตามวาระพระบาลีนั้นเห็นพระหนึ่งว่าลัคนะที่สิ้นราคะสิ้นโกรธสิ้นหลงนั่นแหละเป็นอรหัตผลพิจารณาดูตามพระบาลีนั้นเห็นเป็นดังนี้อยู่แต่ว่าอย่าถือเอาอธิบายดังนั้น เพิงเห็นอธิบายดังนี้ว่าพระอารหัตตมักขยานนั้นกระทําพระนิพพานเป็นอารมณ์กําจัดเสียซึ่งอนุสัยที่เป็นต้นรากแห่งกิเลสให้สิน้นสุดเป็นสมุเทเฉดมีให้เหลือให้เศษอยู่ได้ในสันดาลแล้วการใดพระอารหัตตผลซึ่งกระทําพระนิพพานเป็นอารมณ์นั้นจึงบังเกิดขึ้นในการนั้นตกว่าพระอารหัตผลนั้น บังเกิดในที่สุดแห่งการอันสิ้นกิเลสเหตุอันนี้แหละพระผู้เป็นเจ้าสารีบุตรจึงยกเอาพระบาลีว่าราคัคคโยเป็นอาทินั้นมาแสดงเป็นชื่อแห่งพระอรหัตผลบัณฑิตพึงพิจารณาให้เห็นอธิบายชนีจึงจะชอบที่จะเห็นเอาตามพระบาลีว่าสิ้นราคาโทสะโมหะ เป็นพระอรหัตผลนั้นหาควรไม่พระอรหัตผลนั้นประสงค์เอาขันทั้งสี่คือเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันอันมีมรรคผลวิญญาณเป็นต้นเป็นประธานตังหากอาการที่สิ้นราคะโทสะโมหานั้นจะได้เป็นพระอรหัตผลหามิได้พึงสันนิฐานเถิดว่า สูตรอันพระผู้เป็นเจ้าสารีบุตรเทราเทสนามีใจความแสดงซึ่งพระอรหันตผลนั้นเทสนาเป็นในอยู่ชั้นใดก็ดีชัมภูคขาทกสูตรและธรรมายตนาวิพังซึ่งมีใจความแสดงซึ่งพระนิพพานนี้ก็ยังเป็นในอยู่มีกรุวนาดังนั้นเหตุดังนี้บัณฑิตผู้จะอธิบายเนื้อความในชัมภูคขาทกสูตร และธรรมายตนาวิพังนั้นพึงอธิบายตามในยยแห่งพระอัธกถาจารย์เจ้าที่แสดงมาแล้วแต่หลังอันจะไม่ดูอัธกถาดีกาก่อนจะอธิบายเอาความพระบาลีว่าสิ่งราคะโทสะโมหะเป็นนิพานนั้นผิดด้วยพุทธาธิบายบัณฑิตทั้งหลายพึงพิจารณาให้เห็นแต่ใกล้ๆ โดยอัตโนมัติว่าราคาธีกิเลสนั้นเปรียบประดุดว่ากองเพลิงพระนิพพานนั้นเปรียบปานประดุดดังว่าน้ําสําหรับที่จะดับเพลิงพระอริยมรรคนั้นมีครุวนาดังว่าบุรุษอันตักน้ํามาลดเห็นปานชนีและจะถือลทัทธิว่าวัตถุที่บุรุษนําไปตักเอาน้ํามาดับเพลิงนั้น จะได้ชื่อว่าน้ำก็หาบอมิได้อาการที่เพลิงดับนั้นนั่นหละได้ชื่อว่าน้ำจะถือเอาลัทธิอันนี้ได้ชื่อว่าถือผิดและมีเรุ้วนาชันใดเมื่อกิเลสดับไปด้วยอำนาจพระอริยมรรคอันกระทาพระนิพพานเป็นอารมณ์เห็นปานดังนั้นและจะถือเอาลัทธิว่าทมที่เป็นอารมณ์แห่งพระอริยมรรค ที่เป็นอุปนิสัยให้ดับกิเลสเป็นสมุเทเฉตนั้นจะได้ชื่อว่านิพพานก็หาบอมิได้สภาวะสิ้นราคะโทสะโมหานี้อีกได้ชื่อว่าถือผิดไม่สมควรมีอุปมัยดังบุคคลที่ถือเอาอาการดังเพลิงดับกลับเสว่าเป็นน้ำนั้น